โกสเรเนีโอสนับสนุดโดยวินเดอร์กัสก้าฝากง่ายจ่ายคล่องการันตีการเงินร0อเซโรนเจมี่บินได้ไกลเป็นกิโลนาน23นาทีมีกล้อง 4K และระบบติดตามอัตโนมัติมาพร้อมเซ็นเซอร์กันชนและแอปภาษาไทยถ้าคุณดูไม่ได้ให้โรนเจมี่เปนแทนนะครับ สอบถามเพิ่มเติมที่เพจไลายอิดดาหรือโทร0846694444เอาละครับเรามาปิดท้ายกันที่สายสายนี้ครับสายของคุณคิงหรือว่าคิงอ f g โกด t ของเรานั่นเองสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ้ง <c oughs> คุยคิดถึงยังเลยคุณคิงหายไปเลยย <c oughs> ุ่งช่วงนี้ยุ่งอะสิก <c oughs> <g> ็พอประมาณครับเพราะว่าผม ทำอันนี้ยทร้านขายอาหารแล้วก็ปั้นพระด้วยครับทนอกจากเพราะว่ามีมีวัดเขาขอมาครับปกติเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าคุณคิงปั้นพระตอนนี้คือมีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือทำร้านขายอาหารเลยใช่ครับเป็นำก็เพราะว่าไองานกระปุกองเินที่ผมเคยส่งอ่ะ ตอนนี้ผมยุดไปผมยุดไปแล้วผมหันมาทํางานงานบุญมีวัดเขาขอพระมาครับผมก็เลยคิดว่าเจะทําอะไรที่มันอยู่ระดัที่ได้ก็เลยทําอาหารขึ้นมาด้วยครับเป็นร้านอาหารแนวแนวร้านอาหารตามสั่งอย่างนี้เหรอฮะก็จะมีอาหารของทุกอย่างนะเพราะว่าผมทําอาหารได้หลายอย่างอาหารฝรั่งงาหาไทย อ, อาหารญี่ปุ่นครับโอ้โหร้านอยู่ไหนครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมมาพารช่วยแช่ว่าบทีมอยู่ทุกการช่วยมาอยู่ผมจะไปกินอยู่ย<ๆ>ผมจะไปกินอยู่เรื่องกินขอให้บอกแล้วก็เมื่อกี้ที่อ่าคุณคิงบอกพี่บัตรมาหลังไม่ผมรับไวพ้พิจารณานะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในส่วนนั้นก็แล้วกันครับนะโอเคคุณคิงสบายดีนะก็ดีดีกว่าเมื่อก่อนหน่อยตรงเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าได้พัดบ้างแต่ว่ามันบางครั้งมันก็จะมี มีช่วงที่ทําแบบสี่ห้าวันปิดหรือว่าเป็นสิบวันปิดเนะี่ยก็มีคเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือจะนอนคืนหนึ่งสองสามชั่วโมงเนี่ย<อ>ยืนยิ้มกไ็ได้เยอะขึ้นไปโอ้ยเนี่างนะั้นเราก็ค่อยอายุเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันทุกวันเราก็ต้องเซฟร่างกายตั ว, <แ>ตวเอง <laughs> อยังไม่แก่เรายังวัยรุ่นกันอยู่แต่แค่มันมัน<อ>มากขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างงี้เราต้องเซฟร่างกายเราด้วยครับหนาะคุณคิงอ่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเ <มา S 2> รื่องที่เป็น ที่คุณคิงบอกว่าเป็นประสบการณ์ร่วมครับตัวคุณคิงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยถูกไหมใช่ครับเออนะครับเขาไม่ให้เลี้ยงเรื่องราวเป็นยังไงคนระับคุณคิงอ่คือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นน่าจะสิบกว่าที่จะอายุนะสิบกว่าสิบกว่าก่อนก่อนช่วงมันเป็นหนหาหัมที่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขา เขาเปิดร้านขายมาขายสุนัขขนาดน้องมาครับแล้วทีเนี้ยบริเวณที่ผมอยู่อ่ะอย่างที่ผมเคยบอกทุากานไว้ว่าแต่เดิมเลยอะ่ะเป็นป่าช้าของของชาวชาวอ่าชา ว, ชา ว, ช, าวชาวแคกอะ่ะอิสลามเขาอะ่ะครับ<ะ>อ่าแล้อันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะการันตีแต่ว่าที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นแหละแล้วเขาเล่ากัน ป, ปากต่อปากมาเนี่ยคือมันใช่ตรง น, นั้นคือเป็นที่ที่เป็นป่าชาแครเก่าแล้วก็ เอามาทําเป็นแบบเคหะเป็นโครงการหมู่บ้านเนี่ยออืแล้วเนื่องจากเพื่อนคนเนี้ยเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาจะโดนเขาจะมีปัญหาคนเราข้างตลอดอ๋อใช่ก็เลยพยายามปรึกษาออืครับก็เลยพยายามศึกษากับทุกคนว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงได้บางคนก็บอกเป็นเรื่องขอ ง, งกรรมบางคนก็บอกเป็นเรื่องของนู่นนี่นั่นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่คนจะให้ให้ให้ข้อข้อความตรงตรงกันเนี่ยให้ความชี้แจนตรงนี้นก็คือ บริเวณนี้เป็นประชาชน i s l a เก่าแล้วเหมือนเขาจะบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบการเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขผมผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวโยงยังไงนะแต่่คือต้อาบอกว่าทางทางทางมุสลิมก่อนทางมุสลิมเขาเขาเขาจะไม่ไม่ไม่ไม่เลี้ยงไม่จับนะครับมาสุนักอยู่แล้วเรื่องปกติอยู่แล้วครอ่าครับครับก็ทีนี้เพื่อนเขาก็ปรึกษาทุกวันแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่แบบ นั่งดื่ด้วยกันะ่ะครับทุกคืนเขาก็จะแบบมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมีอยู่คืนที่เากิดเหตุการณ์นี่ยคือเขามานั่งที่ซอยพันธุ์แล้วก็ดื่มอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสนิทกับผมหน่อยเพราะว่าคือเราเราเคยคุยกันเหมือนจะว่าจะตกลงเกือบจะคบกันแล้วทีนี้ผมบอกกับเขาว่าเฮ้ยทําไม่ได้วะคิดว่าเป็นเพื่อน่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาแล้วอะ คือผมไม่เคยไปร่วงเกินเขาเขาก็เลยค่อนข้างที่จะไว้ใจถึง uh huh. ขนาดที่ว่าเวลาถ้าเขาเมาเมนะื่อไหร่นเขาเน้นว่าให้ผมเป็นคนไปส่งเขาที่บ้านคนเดียวนะ uh huh. เขาไม่ให้คนอื่นไป uh huh. ผมเลยบอกเออเดี๋ยวจัด ก, การที่เป็นเรากับนายเงี้ยพอสนินกัมากแล้วสมนันก็เป็นกู้มึงแล้ว uh huh. า, ไา ไ, ไม่ให้คนอื่นเบอเอดี๋ยวดการท่เเบองเงี้อมาแล้วสมนันกเป็น้มง้เาไ้นนปผมเลยบอกเออเดวัารเก็นเรากับนายอย่างเ้อกันมล uh huh. ้นเ้างแล้าไคนอบ ทะเลาะกันหนึงขนาดที่ว่าลงมือล ง, ลงไม้กันเลยอะ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะเห็นปกติก็มีปัญหากันไม่แค่ปากเสียงเอกอแต่ครั้งลง่นมือลงไม้เนีลย <S <S <ะ>มันเมาแล้วมันคู่จะเล่นพวกกูด้วยนี่มันก็ทะเลาะ ก, กับแม่กูไปแล้วไปเห็นไปรอบนึงแล<ะ>้วเราก็ตามภาษาวัยรุ่ น, น<ะ>เนาะเล่นโดนอ่ะก็คุยกันแบบเอาไงอะ่ะเราคืนหรือจะยังไงที่มาเนี่ยปากเปล่าๆรอให้เมื่อเด็กก่อนแล้วกลับเข้าบ้านนอนให้มีใครอยู่บ้านแม่ก็ อปที่อื่นอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับบ้างดี๋ยวจะไม่ต้องมีปัญหาพอกินเสร็จปุ๊เนี่ยระหว่างที่กาลังกินก่อนก่อ น, ก, อนก่อนจะกินเสร็จแล้วช่วงเขาเริ่มเมาแล้วอะวผู้กครอก็เปตือนเรื่องเดิมบอกอืระวังนะเว้จะเป็นไอ้เรื่องที่กูบอกอคือเรื่องของการเลี้ยงหมานะ่ะมันสังเกตไหมมันมีปัญหาอยู่กับคนแรอบๆข้างอยูมีอยู่คนเดียวเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยมีมูปัญหาอยู่คนเดียวออจะเต็นไปได้ครับ เปลี่ยนอาีพหรือถ้าคิดจะทําอาชีพนี้จริงก uh ็ต้ไปอยู so like, mm ่ท hmm. ี่อื่นในวันเขาก็ไร้สาระเขาพูดกันเลยนะไร้สาระว่ามันไม่จริงคุยกันเรื่องกันว่าไม่เขียวแล้วตอนที่ผมปั่นจักรยานผมปั่จักรยานครับนะแล้วจักรยานเลี่ยมันจะมีไอ้ไอ้เขาเรียกว่าสแตนที่เอาไว้ยืนนะสัสด์ก่อนนะพวกฮาโร่พวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อ่าเขาก็จะยืนช้อนผมยืนแบบอุ่นเอนๆเนี่ยในระหว่างที่เขายืนยืนด้านหลังผม เขาก็จะพิงตัวมันลงผมเนี่ยพอคนพิงมาเนี่ยพี่าจคถ้าเขาเอียงซ้ายเอียงขวาเราจะรู้สึกยังไงครั บ, บเขาจะหันดบกจู่เดี๋ยวทั้ทงซ้ายบ้นหรืทั้งขวามเห ม, มือนคนวกเลอกอ่มผมเลยบอกเฮ้ยมันกยนดีดดดๆไดเลยกูก็ไม่ได้ขอสติตคบรบเท่าไหร่ก็กิ้งกันเท่านั้นนะ ม, <c oughs> มันถามผมว่าคำว่ามื่เห็นเหมือนกูเลยว่ามีคนวิ่งตามจักรยานมาผมก็เบรคนะบอกใครวะแล้วก็หันไปมองไม่มีเลยนะ ในวันเป็นเด็กอะ่ะแล้วผักซอยเราไปถึงบ้านเขาเนะี่ยมันมืดมากเลยไฟทางมีน้อยมากเลยผมก็เลยผมคิดไปถึงเรื่องของของวัยรุ่นที่จะเตะีเพราะสมัยนั้นเราก็มีมีเรื่องกับซอยอื่นบ้างอะไรบ้างก็เลยบอกไอ้ดูดีๆนะเว่ยเห็นจริงเพราะเนี่ยชักระแวงแล้วเนี่ยไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผีเลยครับแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดทางจนไปถึงบ้านเขาพอเข้าไปถึงบ้านเขาคือของทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมประตูบ้าน เปิดไว้หนอยหนึ่งก็เลยคิดว่าอเอ่หลีจะไปในข้างบ้านมันเข้าไปแต่ข้างบ้านเนี่ยเขาปิดไฟแล้วแล้เขาเปิดไฟหน้าบ้านไว้หเหมือนกับเวลาที่เขานอนปกติของทุกวันก็เลยบอกกับเพื่อนว่าว่าไม่น่ามีอะไรแล้วแต่ว่ายังไงทราจะพูดอยู่นี่เวลกันงคืนเนี่ยว่าภูประลามันก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหอยากนอนอยนอนเลยโต๊ะเตอะเนี่ยมีผมก็นั่งนั่งคุยกัน ทีนี้เพื่อนผมเขาจะเขาจะเปิดไฟไงผมบอกว่าอย่าพึ่งเปิดไฟ<ม>อย่าพึ่งเปิดไฟ<ม>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเราหรือเปล่า <c oughs> ให้เรานั่งอยู่ในความมืดก่อนแล้วก็เปิดไฟข้างนอกไว้รองรับบ้านถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยพอเห็นเราประตูรัวเปิดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาเข้ามาทําไมแล้วเขาจะมองเข้ามาข้างในไม่เห็นครับ <c oughs> มันก็บอกจะนั้นคุยกันมืดๆถึงไงบอกเอออย่างนี้แหละปลอดภัยเชื่อฟรุดเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเราก็นั่งคุยกันคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วนั้นแล้วก็เขาเอากี่อี้ เป็นเก่าอีพลาสติกสีฟ้าแบบไม่มีมันักอินที่แจ้งไปก่อนทำงาที่มันเป็นกอมๆเอามาตั้งแนวน้ำ<ฮ>แล้วก็นั่งคุยยับผมผมก็พิงเก่าอี้เข่าอีพิงนั่งคุยกับเขาแล้วก็มองไป ร, รอบๆบ้าน<ฮ>มองเดียบซ้ายเดียบขวาเราก็ยอมรับว่ามีความระแวงเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แล้วคนที่เขามีเรื่องด้วยเนี่ยเป็นคนโต<ฮ>เป็นคนแบบคนทำงานแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้เขาจะยังไงบ้าง<ฮ>ก็มองมองมองมองเส็งส<ฮ>มน่ย สิ่งที่เราได้ยินเหมือนกันแล้วเราต้องหยุดมองหน้ากันก็นกคือเหมือนเสียงคน่ะเดินอยู่บริเวณตรงหน้าบ้านซึ่งมันจะเป็นกระจกมันเก็บปิดเอาไว้พี่แจ็คเราจะมองออกไปข้างนอกไม่เห็นเลยออื ม, มันจะเป็นคุนๆแต่รู้ข้างนอกมันสว่างมันมีเสียงคนเดินอยู่ตรงนั้นดีเสียงอะไรสักอย่างมันลากพื้นบนรองเท้าแตะแต่ว่าเราไม่เห็นตัวแล้วก็ไม่เห็นเงาที่หน้ า, ากระจกจนเสียงนั้นอ่ะมันเลาะมาด้านข้างทั้งฝั่งสายมือ แล้วมันก็เป็นปรากฏเป็นเงาคนเดินขึ้ึผ่านวันเกศผมก็มองแล้วก็เอามือ จ, จับแขนเพื่อนไว้บอกใจเย็นนะเวย้ยอย่าไปตกใจแต่เพื่อนผมคุมสติไม่อยู่ผมเห็นเป็นคนธรรมดาแล้วใช่แต่เพื่อนผมอ่ะคือผมก็ไม่รู้คนธรรมดาหรือเ่าแต่ว่าวันเกศมันเก็ศ ด, ด, ด้านบนมันอาจจะบังอะไรเงี้ยแต่เพื่อนผมบอกว่ามันไม่มีหัวครับคนที่เดินนะไม่มีหัวแล้วก็คุมคุมผ้าเป็นชุด ข, ขาวๆ ย, ยาวๆแล้วก็เดิน ผมก็บอกอย่าพุ่งตกใจอย่าพุ่งตกใจแล้วเรากําลังจะยอออ่องออกทางด้านหน้าบ้านเพรเขาเดินอ้อมไปด้านหลังเรากำลังจะย่องออกทางด้านหน้าบ้านเพื่อนผมมันบอกว่ามันลุกไม่ได้ผมเกิดดึงไปที่เก้าอีผมม้ผมอยู่ในบ้านกันสองคนในความมืดอะแล้วก็มองอะไรไม่เห็ น, นะไม่รู้ว่าเสื้อมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะจนไอ้หนึงกางเกงแล้วก็ดึงมันออกมามันเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวอ ผมก็เลยดึงมันเสร็จปุ๊บลลวิ่งออกมาแล้วแบบตะแล้วก็ออกไปยืนบนตู้โทรศัพท์ซึ่งหกก่ง บ, บ้านมาไปหน่อยหนึ่งม<ะ>ันเป็นมุมมืดไงพี่แจ๊แล้วก็ยืนผมก็มองแล้วเพื่อนเราเป็นผู้หญิงเนาะผมก็เลยผมใส่เกงบอลเนี่ยผมก็ถอดเกงให้มันผมมึงใส่สก่อนอุ่นผู้ชายไงก็ไม่น่าเกลียดหรอกแล้วผมก็ยืนหลบอยูย่ตรงนั้นอะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมผมแล้วเรหาสาเหตุไม่เจอแต่รู้ว่าเป็นคนเดินอยู่รอบบ้านแล้วก็ ไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าเห็นเห็นแค่ตัวแต่ไม่เห็นหัวแล้วก็ไม่เห็นหน้าดูไม่ออกเขาเป็นใครในในความมืดตรงนั้นนะผมเข้าใจได้อย่างเดียวเลยว่าน่าจะเป็นคนที่ทำร้ายแต่ถ้าคนที่ทำร้ายเขาน่าจะบุกเข้ามาในบ้านแต่เพื่อนผมยืนยันว่าไม่มีหัวซึ่งผมก็รู้สึกเห็นตะกี้ตะกี้เหมนว่าไม่มีหัวแล้วใส่ชุดขาวเหมือนแบบชุดยาวๆพิจักเป็นชุดคลุมนะ่ะเดินค่อยๆเดินแล้วก็เอามือลูบกระจกไปเรื่อยๆลูกระจกบันเก็บเพราะวางเขาจเป็นกระจกด้านข้างอ่ะลูบๆเหมือนเขาเดินหาทางเข้า ก็ื่จะเข้ามาหาเราแต่เราย่อมออกประตูหน้าบ้านก่อนอืมยืนอยู่พักหนึ่งเพื่อนที่มันไปเที่ยวที่อื่นแหะมันก็ขี่รากลับมาผมก็ยสะโกนเรียกมันบอกมันก็มันก็ว่าเลาะผมว่ามาดูมายืนแก้ผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยนายเขบอกว่ามึงไม่ได้เป็นแฟนกันไงผมก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมค่อยเล่าไปห้องมึงก่อนเพราะว่าเพื่อนผมนี่เขาอยู่กับพี่สาวเขาชาวาพันเมนอยู่นะเราก็เลยขึ้นไปห้องเขาขึ้นไปเสร็จยามโทรขึ้นมา บอกมีคนมาหาอืมแล้วห้องของเขาว่าสมัยก่อนจะเป็นแบกล้องขาวดาครับเขากดไอ้กดดูที่ทีวีอะยามเขาบอกเนี่ยตอนนี้มีคนมาครับเป็นผู้หญิงออืใส่ชุดคุมเหมือนเหมือนแขกยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับออืแล้วเพื่อนผมมันก็กดกดดูแล้วมันก็ถามแล้วว่าพี่ไหนอ่ะดูที่กล้องไม่เห็นมียามบอกเนี่ยครับยืนอยู่หน้าโต๊ะเลยครับแต่เรามองไม่เห็นกันเลยออคือเราพอเห็นเราพอบอกว่ามีคนมาหาเราก็เปิด อ่าจากจอทีวีดูซึ่งมันเป็นกล้องเชื่อมลงไปด้านล่างที่ตอร์ประพอถูกไหมฮะใช่ครับจะเป็นจากหน้าประตูมอ้องลไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาเนี่ยรประพอจะแจ้งแล้วคุนขบวนจะดูว่าเป็นใครอนุญาตได้เข้าไหมก็จะลงไปรับหรือว่าให้ยาไม้ขึ้นมาเงี้ยแต่ตอนนั้นรบประพว่าเนี่ยเขายืนอยู่นี้แต่มองที่กล้องไม่เห็นเห็นแต่รบประพนั่นอยู่คนเดียวโอ้ยืนร้องเพลงยืนทําเพลงอยู่เนี่ยใส่แคอคุณเล่นอะไรกันแล้วก็หัวานล้อ เพื่อนผมเขาบอกผมไม่เห็นนี้แล้วผมมาตะโกนกันสามสี่คนรวมถึงพี่สาวเพื่อนผมที่ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ามีอะไรกันแล้วเขาก็ดูบอกเจเจเห็นไหมเจเห็นแล้วว่ามีใครอยู่กับยามไหมเน็ตผููได้พยามฟังเลยเจเขาบอกไม่มีทําไมอะยามเขาก็เริ่มนิ่งไปแล้วเขาก็วางวางโทรศัพท์แล้วเพื่อนผมก็กดตัดบอกกลัวไม่ต้องดูแลต่อจนเช้าก่อนรอจนเช้าก่อนคืนแล้วผมไม่ได้นอนเลยแล้วพอตอนเช้าก็รีบ รีบกลับสงสัยเพื่อจะไปดูว่ามันคืออะไรทั้งหมดที่เราสงสัยว่าไอ้คนที่เดินรอบบ้านเป็นใครแล้วมันงัดเข้าไปไหมปรากฏว่าของกระจุยหมดเลยพี่แจ๊กเนี่ยต่างบันเกตโดนปีเรียกเลยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันจนถึงขนาดตำรวจอะไรเข้ามาเงี้ยแล้วก็จัดการกันเป็นอันว่าคนข้างบ้านลราเมาแล้วเข้ามาพานหมือนแต่เขาไม่พอใจอ่ะไอ้ตอนที่เราเข้าไปอ่ะที่เห็นว่าเขาปิดไฟในบ้านแล้วิดไฟแล้วคือเขาไปกินที่อื่นต่อ อ๋อคือเป็นคนในคนข้างบ้านที่เขาไม่พอใจที่อ๋ออที่เอาสุนัขเข้าไปเลี้ยงอ่าคือเขาไม่ชอบที่เพื่อนผมเลี้ยงหมาแล้วเสียงดังอ่าใช่ใช่ใช่ใช่คือเขาเขาไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมทุนะเป็นมุสลิมใช่ไหมตรงตรงนั้นทั้งหมดเลยคนคนข้างบ้านนี่ผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาเป็นหรือเป่าก็คือว่ามันมีปัญหากันเรื่องเสียงของหมาเนี่ยมานานมากแล้วอาจจะเห่าหอนเสียงดังอะไรก็ว่ากันไป ใช่ครับทีนี้พอกลับมาเสร็จปุ๊กพ่เป็นอันว่าของอย่างพังในบ้านก็กระจุยมหมดเลยจนเขามาแล้วเขามากันแบบจะเล่นให้ตายเลยว่างั้นนะหลังจากนั้นเนะ่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรนะพี่แจ็คจนเพื่อนผมเนี่ยมันมาเล่าให้ฟังออื ม, มันบอกไอ้คนนะนะั้นสารภาพแล้วว่ามันเข้าไปช่วงประมาณสักตีนหนึ่งกว่ารเราก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทสื่อเทียร์พันเม้นต์เหมือนว่า ไปห้องมึงประมาณตีอะไรวะอืนั่นบอกกลัวมาจากบ้านแฟนกุณตีนึเนี่ยอนั่นหมายความว่าทับผมกับเพื่อนผมออกมาช้าอีกสักนิดเดียวเนี่ยเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับแล้วมันมาห้าคนหกคนด้วยอออก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยสรุปแล้วเป็นเพราะว่าแต่แต่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผีของดวงวิญานของเขาแน่นอนอืของของฟาคาที่นั่นนะเพราะว่าเขาแต่งตัวอย่างนั้นแล้วก็ตรงที่เราบพเจอแต่คือ สับสนว่าเขาไม่ชอบหรือเขามาช่วยก็ใช่อ่ะสิคือเราไม่รู้ไงคือเขามาเดินวนมาเดินวนแล้วก็ตามมาอีกที่หนึ่งอย่างที่คุณคิง บ, บอกคือผมก็ตีความไม่ออกเหมัอนกับว่าเรื่องเนี้ยตกลงคือเฮ้ยเขาไม่ชอบหรือเขามีนัยยะอย่างอื่นหรือรเขามาช่วยอันนี้ไม่มีใครรู้เลยแต่รู้แน่ๆ<น>ว่ า, เ อ, า, า เ, เออแต่ที่รู้แน่ๆคือเขาตาม พามาทําไมอ่ะเรื่องไงแล้วตอนเช้าเนี่ยลงไปเนี่ยผมไม่ใช่ว่าเจอรอปภคุณเดิมปกติรอพภเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเจ็ดครึ่งหรือเก้าใช่แต่นั่นคือลงไปเช้าตู่ไม่ใช่คนเดิมนะไม่ใช่คนเดิมเขาก็เป็นคุณลุงที่มีอายุประมาณสักสี่สิบกว่าปีแล้วก็พอเขานั่งมองหน้าผมแบบงงๆเลยผมเลยถามว่าพี่รอปภเมื่อคืนไปไหนคอับไม่รู้มันอืมันให้รู้มาเป็นเวร ครับพี่ไรเหรอตาเปล่าไม่มีอะไรครับผมก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะจะกลัวไหมหรือว่าจะด่าว่าเป็นอเด็กปากเสียอยู่ดริงมาหลอกผีกูัวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่กล้าพูดอผมว่าคนที่หลอนที่สุดคงจะเป็นรปภตอนแรกอาจจะคิดว่าเราอัมก็ได้แต่พอมีครับพี่สาวเขามายืนยันว่าเฮ้ยไม่มีจริงๆอันนั้น่ผมว่าเ้าคงเขาคงจะช็อตอ่ะว่าเฮ้ยไม่โดนอัมละ ใื่คือผมนึกภาพบรรยากาศแผนขเขาพี่แทก็กการปัะจันหน้ากันระวงังเพราะที่เขานั่งกับผู้หญิงที่ยืนไม่มีตัวตนอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยที่เขาเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเป็นชุด ล, ลักษณะนะ ช, ชุดสีขาวยาวๆใช่ไหมฮะแน่นอนว่ามัน<ะ>ก็เราก็ตีความเลยว่าน่าจะเป็นชุดของท่านฮะของทางมุสลิมนั่นแหละ ไม่เุาเลยเขาพูดเลยครับพี่แจ็คเขาบอกเนี่ยแต่งชุดแต่งชุดแขกมายืนรอเนอ่ยเป็นอะไรกันตลกอะไรกันเนี่ยยืนรอเพลงอยู่หน้าโต๊ะเนี่ยลงมารับเพื่อนครับถ้าไม่มารัผมจะได้เขากลับโอ้โหเออแต่ที่แน่ๆน่ยคือเขาต้องการอะไรไงเขาจะมาสื่ออะไรตกลงจะจะไม่ชอบหรือจะมาช่วยหรือจะชอบหรือไงเขาไม่รู้ครับโอ้โหน่ากลัวนะจังหวะที่แบบ ผมมาเดินรอบเอานิ้วมันก็รูดบันเก็ตมันเป็นเรื่องที่มินเบรย์คือตัวผมเองเนี่ยถามว่าผมมองเห็นเหมือนไม่มีไหมผมก็มองว่าเหมือนไม่มีหัวแต่เราเข้าใจว่าบันเก็ตมันพับตรงค่ะแต่เพื่อนผมอะเพื่อนผมมับอกว่ามันเห็นเป็นเสนปลาแล้วไม่มีแน่นอนอออืแล้วเขาก็เดินเอามือรูดบันเก็ตเดินรูดรูครูดไปตั้งแต่ข้างหน้ามาจนดังข้างแต่ตรงข้างหน้าเราไม่เห็นผมบาด้านข้างเราเห็น ไม่ไม่ใช่ชุดไม่ชุดสาลีนะคุณผู้ฟังสาลีนะของอินเดียนะครับน่าจะเป็นชุดนี้ฮะชุดตบที่ที่ที่ตัวคุณคิงกำลังพูดถึงอยู่ชุดที่ผู้หญิงใส่ชุดคลุมของแขกนะครับใช่มคือเป็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะแขกใส่คลุมคุมหน้าหรือแต่ลู ก, กตาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าบอกบางคนก็บอกว่ า, าเป็นลูกคุมหน้าเพราะเขาบอกว่ายืนร้องเพลงด้วยรองฮะ เออบางคนก็บอกว่าเป็นชุดฮิฮิยับอันนี้ไม่แน่ใจว่าชุดอะไรกันแน่นะแต่ลักษณะเป็นเป็นชุดที่ชุดชุดมุสลิมที่ผู้หญิงใส่ถูกไหมฮะต้องมีการคลุมผมแน่นอนละแต่ถ้าเกิดว่าเคร่งๆหน่อยนี่คือคลุมหน้าคลุมตาชอบเออนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางมุสลิมเนี่ยเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบในส่วนของการเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็ยังตีความหมายเรื่องนี้ไม่ออกคุณคิงก็ยังตีความหมายไม่ออกว่าตกลงแล้วเนี่ยเขามาช่วยหรือเขาไม่ชอบหรือเขามาซ้ำเติมกันแน่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับโ อ, อ้เรื่องผมก็ขอบคุณเขาเลยนะครับแล้วก็ในบริเวณที่ผมอยู่เก่านั้นแนะ่ะคือพูทธแม่เลยสารระบุมีเหมือนมีเหมือนทางทางคติความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับมีสารระบุม เหมือนกันทุกบ้าน<ฆ>คือความจริงในพุทธเนี่ยเราไมไ่สอนเรื่องสารของสาระบุ๋ม<ฆ>แต่ผมพูดโดยรวมนะครับ<ฆ>เดี๋ยวจะพูดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนว่าเอ้ยพุทธไม่ได้สอนเรื่องนี้<ฆ>จริงครับแต่คือเราเราพูดให้เข้าใจกันได้เฉย<ฆ>ในองค์ประกอบโดยรวมว่<ฆ>าคติทางพุทธเราเนี่ยที่ว่ามีสารละบู๋มเนี่ยแต่เราไปทางบ้านเพื่อนที่<ฆ>ที่เขาเป็นวุฒิลิงเขาไม่มีสารถ<ฆ>ูกครับ แต่แถวนั้นนที่ผมอยู่อ่ะสารวัตรบุญมุก็ช่างห้ามตั้งอาหารที่ทําจากหมูอืมอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นจะเป็นอ่าพื้นที่เราต้องต้อ ง, ต, องต้องให้เกียรติทางทางทางทางพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนต้องให้เกียรติทางพื้นที่ส่วนใหญ่คือสมมุติว่าอ่าเราเป็นคนพุทธนะอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติเลยนะครับแล้วเราเกิดย้ายไปอยู่สมมุติว่าเป็นอ่าประเทศของเขาที่เขานับถือมุสลิมทั้งประเทศเลยแต่เราเป็นพุทธ นะครับเราตั้งสาลอะไรพวกนี้ได้แต่เราไม่สามารถที่จะอ่าใช้โทษนะฮะหมูในการเข้าไปไหว้สารอะไรพวกนั้นได้ไม่ได้นะฮะพวกนไม่ได้เลยเราต้องให้เกตทางเขาด้วยถูกไหมใช่โอนะครับอันนี้สําคัญมากอืมใช่พี่จ๊คแล้วมาพูดถึงขอเรื่องรูปเมื่กีผมส่งไปพี่จ๊คเห็นหรือยังครับยังเลยฮะมีรูปอ่ะมีคือ ล่าสุดผมคิดว่เพี่แจ็คคงไม่ได้ว่างขนะที่จะดูหรอผมผมไปไปทำบุญทางจังหวัดขอนแก่นแล้วผมก็ไปขอเขาแล้วผมขอเขาเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ไปเปล่าๆสองไว้ก่อนไปในสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่ที่ดังของขอนแก่นนะฮะเรื่องของความน่ากลัวครับไปสองสถานที่สถานที่แรกเนี่ยขอเขาไปได้แต่สถานที่สองเนี่ย ไม่ได้ขอเลยไม่กล้าเข้าครับสถานที่สองที่เป็นผมไม่บอกโซนแล้วนนะจ๊ะผมบอกวา่าเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าหลังเราไม่ได้ขอใครเราเลยไม่กล้าเข้าแต่ว่าคือในขณะที่เราไม่กล้าเราก็ไปเราก็ไปยืนอยู่ด้านหน้านะในตึกที่มันร้างหมดแล้วแล้วมันไม่มีคนดันั้นเราก็กําลังเดินเข้าไปลอดเข้าไปข้างใต้อะมันมีหน้าคนแบบโทรมาจากเสาที่มันนิดเดียวอืม เสานิดเดียวที่คนไม่สามารถจะหลบไปขงหลังได้ผมเลยกดกล้องถ่ายพราะรถ่ายวิดีโออยู่แล้วไงกดกล้องถ่ายเลยติดแล้วก็ติมาเป็นรูปมี่ผมยังผมยังไม่เห็นรูปนะคุณคิงส่งมาทางไหนแล้วก็ค่อนข้างจะชุดมาแต่ว่ามันจะมีที่แปลกก็คือคําว่าตึกร้างเนี่ยมันไม่น่ามีใครเข้าไปอยู่ทุกอย่างเนี่อมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอือผมาจากข้างในผมสามคนมองหน้ากันแล้วว่า คืออะไรวะออืคืออะไรแล้วเราก็ถอยหลังออกมามองขึ้นไปข้างบนมันมีคนโผล่หน้ามาจับประตูนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะยิ้ ม, มแล้วก็แบลบิ้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนคนแบบห็อกเล่น่ะเราก็เลยบอกผมมาขึ้นรถกลับเถอะเราก็ขึ้นรถกลับก่อนครับส่วนอีกที่นึงก็ไปแล้วอันนี้มีรูปค่อนข้างชัดเจนออืส่งไปแล้วนะครับ เราเดินตลอดระยะเส้นทางอันนี้ขอเขาเลยนะเป็น<ม>สะพานนะครับ<ม>สะพานเราเดินตลอดระยะเส้นทางเลยพี่แจ็เชื่อมไหมผมใช้เวลาอยู่นั้นกเกือบเกือบสองชั่วโมงไม่มีรถผ่านสักคันหนึ่งเยครับแล้วในระหว่างที่ผมเดินถ่ายกล้องไปเนะี่ยมันก็มีไอร้อนขึ้นกลางถนนนะประมาณสองครั้งที่ผมเห็นจะมีจะมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วพอผมเดินไปสุดทางระหว่างที่เรากําลังยิงคุยกันผมกับคุณหนึ่งนะเดินเหมือนที่ไป มันเป็นเสียงคนเดินลากรองเท้าเข้ามาใกล้ๆอะ่ะผมก็เลยทําเป็นแผนกล้องแผนกล้องแผนกล้องไปเสร็จปุ๊แล้วมันไม่ใช่วิดีโอแล้วหลังจะจบวิดีโอแล้วผมหันไปเป็นกล้องธรรมาดาออืจุดที่เสียงมาหยุดแนตะ่ผมกดถ่ายถ้าผมก็มาดูรูปมันเป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความดาแล้วก็ทําเป็นแสงสว่างอะ่ะเอาภาพให้สว่างออกมาออืเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนนึค่งอยู่ตรงนั้นเลยครัแต่บางคนก็บอกว่า เหมือนกับผู้หญิงไม่มีไม่มีศีรษะเพราะว่าประวัติตรงนั้นเนี่ยประวั ต, ติเดิมที่เขอเล่าให้ฟังก็คือมีผู้หญิงและผู้ชายซึ่งซึ่งบางโดนโดนไอเรื่องของรั่วใส่รึงนั่นแหละตอนจินมพอใสแล้วเขาบอกว่าบางคนจะเห็นผู้หญิงเยินเดินถือศีรษ ะ, แ ล, ะลแล้วไปดูในรูปนั้นเอาพี่แจ็คแล้วจะพิจารณาว่าเหมือนกับอะไรเดี๋ยวผมถามคุณคิงอยู่เนี่ยว่าคุณคิงส่งรูปมาทางไหนผมหารูปไม่เจออ่าอ่าเดี๋ยวผมดูให้ใหม่ อ่าโอเคโอเคทางอินบ็อกก็ได้ฮะอืมครับมีผมมีสถานที่แนะนํำให้พี่แจ็คหลายที่เลยนะได้เก็บไว้ให้แจกไปเด้เลยเกินเลยเก็บไว้เลยแจ๋งเลยแจวเลยอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้สถานที่อีกเยอะเลยครับในการถ่ายทําทีมล่าผีเยอะอ่าพีแจ็คจำป่าช้าเขมรที่ผมเคยพูดในฝังนั้อ่าอ่าจำได้ฮะผมลึกภาพว่าถ้าพแจ็คถืกลองเข้าไปแล้วแบบไปพลังงานต่างๆมาลุมทีวีเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ พผมดูอยู่ดูอยู่ที่เห็นกระลูกเขาทําเก่งมากผมชมเลยเขาทํามันพลังงานมันเป็นจุดเหมือนหัวเหมือนแขนมันขาค น, นใช่ใช่อเอออยากเห็นว<อ>่าจะเป็นที่นั่นจะเป็นยังไงได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวออันนี้ยเราเราเก็บไว้คุณคิงเก็บไว้เลยนะข้อมูลนะครับสถานที่อะไรทั้งหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ่าน่าจะเริ่มต้นปีหน้านะครับช่วงปีหน้าเนี่ยจะเริ่มลุยกันแบบเต็มเต็มสตรีมละ อยังไงฝากเก็บข้อมูลนี้ไว้ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลประมาณเนี้ยมีสถานที่ที่อยากให้พวกเราไปใช้เครื่องมือในการพิสูจน์ขอให้มีตำนานมีประวัติมีเรื่องเล่านะครับเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้าไปลองพิสูจน์ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ได้หมดเลยน ะ, ะผมอยากลองอยากทําแบบรายการฝรั่งเลยว่าติดต่อมาให้พวกเรา ลองไปลองไปติดต่อสื่อสารลองไปคุยกับเขาลองไปจับภาพเขาลองไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะผมจะลองไปถามโรงแรมที่ที่ที่หนึ่งนะครับที่ว่ามีผู้หญิงฆ่าตัวตายแล้วเขาปิดห้องนี้ไว้สามปีแลยนะพี่แจ็คแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคือเขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นคุณนะเขาเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมอ่ะลองเข้าไปดูหน่อยว่าห้องเนี้ยมันยังมีอะไรอยู่ไหมได้ หนคืนแล้วผมเข้าไปอยู่มาแล้วนะพี่แจ็ค <ฮะ S 2> ตอนนั้น f เฟซบุ๊กเก่าผมมีรูปลงหมดแัดเจนหมด <ฮะ S 2> ถ้าเขาอนุญาตอยู่อยากให้พี่แจ็คไปได้ครับรอยเขาอนุญาตนาคุณคิงต้องติดต่อไว้ทั้งหมดเลยคือเราต้องได้รับอนุญาตนะครับจากเจ้าของสถานที่หรือว่าคนดูแลสถานที่รจริงๆนะครับแล้วก็ ร, ราการเรานี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ไปเหมาไม่ไปบอกแล้วว่าที่นี่มีผีหรือไม่มีอะไรยังไงเครื่องมือจะบอกเอง นะครับแล้วก็ไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเชื้อเชิญวิญญาณไปเรียกวิญญาณไปอะไรไม่ทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับไปในรูปแบบลักษณะของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยอ่าเดินลุยๆดูดุดเอาเครื่องมือคุยถ่ายนะครับเครื่องมือทุกอย่างนะครับที่ที่เรามีอยู่แล้วให้คุณผู้ชมลองตัดสินเองว่า สิ่งที่พวกเรากําลังทํากันอยู่พวกเราเจอหรือว่าเครื่องมือมันดังหรือไม่ดังอะไรยังไงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองตัดสินเอาเองว่าเป็นยังไงกับกับในส่วนของเครื่องมือของเราน้อยยังไงฝากด้วยคุณคิงถ้ามีข้อมูลตรงนี้นะครับพี่ผมมีไว้ที่เสมออ่าได้คุณคิงยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็กสักนิดหนึ่งปีใหม่ฮะแฟนคลับคุณคิงเยอะเลยอวยพรสักนิดหนึ่งคุณคิงผ่านเดอะโก้เลเดียตรงนี้เลยฮะ อ่าผมก็ขอให้ทุกคนนะครับครับใครที่เจอเรื่องไม่ดีมาอืในปีเก่าๆก็ขอให้มันแบบมันมันหมดมันหมดทิ้งไปเลยครับพื่อบุญดีที่ผมได้สร้างจากการทำพระหรือว่าทำกุศลต่างๆก็ให้เป็นกุศลทรงเสริมให้กับทุกคนอืมให้ที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ผ่านไปแล้วพอมาฟีใหม่ก็เอาใหม่ๆที่มันดีอย่างไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเข้ามาละให้มันเหมือนกับมีกำแพงอะไรป้องกันไว้ให้ ชีวิตเราได้ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นคส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่ขึ้นไปอีกครับทุกคนเลยทุกคนเลยนะแล้วก็รวมถึงคุณคิงด้วยนะครับพรใดที่คุณคิงอวยพรมาก็ขอให้กลับไปหาคุณคิงร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับคุณคิงขครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสไปน้าเจอกันแน่นอนคุณคิงครับกับทีมล่าผีของเรานะ นะาแม่หัวล้อบแบบมีแลสันโอเคคุณคิงขอบคุณมากๆครักครั บ, วรบ ส, ว ส, สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม The Ghost Radio สนับสนุนโดยว i n เดอร์กสกฝากง่ายจ่ายคงการันตีการเงินร0 0ซ